เรียนส่งกันบ้านหลวงตาต่อจากในครั้งที่แล้วอะค่ะคือครั้งที่แล้วพอส่งกันบ้านหลวงตาไปตอนแรกหนูก็พิจารณาทบทวนเหมือนกับยังทราบว่าเหมือนยังต้องเดินต่ออะคะ่ะแต่แล้วพอได้ฟังป้ายของตัวเองหนูก็ฟังเหมือนไม่มี เพราะว่าวันนั้นส่งกันบ้านถึงไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะคะหลวงตาแล้วก็พูดถึงการเข้าไปหรือการกึนเข้าไปกับคำว่างแล้วพอหนูฟังเรื่อยๆเหมือนกับอันนั้นมันเป็นธรรมของคนคนหนึง่งพยายามฟังว่าเหมือนกับเขาพูดถึงอะไรและเขากำลังรู้เห็นอะไรบ้างก็ มีวุ่นหนึ่งก็รู้สึกขึ้นมาว่าอ้าวนี่ไม่ใช่แค่การเห็นตัวตนที่ว่างเปล่าที่จะกึนเข้าไปในความว่างเรารู้สึกถึงว่าอา้าวนี่นอกจากความเข้าใจในการไม่ยึดถือความว่างแล้วสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้ก็คือทั้งกายทั้งจิตทั้งสามกายสามจิตก็เห็นหมดแล้วทีนี้ก็เลย รู้สึกว่าเอ้าตอนนี้มันก็เหลือแค่ก็กลับมาสู่อความว่างที่หลวงตาเคยสอนว่าวิมุตต์คือไม่มีตัวไม่มีตนเราพร้อมที่จะหายไปในความว่างก็เลยมีมีความรู้ขึ้นมาว่าตอนนี้เรารู้แค่วิธีที่เราไม่มีตัวไม่มีตนที่พร้อมที่จะกืนหายเข้าไปในกับความว่างแต่ เรายังไม่ได้กลืนเข้าไปเรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นได้เราต้องก็พอดูว่าพอรู้แบบนี้หลวงตาก็สอนเอาไว้แล้วว่าอยู่กับความรู้ที่หลุดพ้นก็คือการไม่มีตัวไม่มีตนและพร้อมที่จะหายตัวไปแล้วก็หนูก็พยายามหนูก็พิจารณาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีวันหนึ่ง เวลาพิจารณามันเหมือนกับว่าเวลาจะสมมติว่าเห็นอะไรขึ้นมาเวลาที่ตัวเองจะพยายามไปทำอะไรค่ะมันก็จะมีผุดขึ้นมาในใจว่าไม่ได้นี่คือการที่เอาตัวเราเข้าไปทำอะไรแล้วนี่คือการเอาตัวเราเข้าไปพยายามแล้วก็วต้องอยู่กับใจเราที่ ไม่เคลื่อนไหวคือผู้รู้จะต้องไม่เคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นในในจิตหนูที่กําลังพยายามทําอะไรที่จะให้เป็นอะไรอยู่ในความเป็นผู้รู้หนูก็ยังนิ่งอยู่ในวันนั้นและทําให้มันเหมือนกับว่าหนูเคยเรียนหลวงตาใช่ไหมคะว่าในเวลากลางคืนหนูเคยมีความรู้สึกว่า หนูกลืนเข้าไปได้กับความว่างหรือมีคาคำหนึ่งที่บอกหนูว่านี่คือสภาพของความเป็นทิศเอาหนูก็นิ่งๆอยู่ก็ดูไปแบบนั้นแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนพอเราไม่เข้าไปปรุงแต่งมันก็เหมือนกับเราเข้าไปได้ในสภาวะหนึ่ง ในสภาวะตรงนั้นทำให้หนูมีความรู้ที่หลวงตาพยายามสอนและพยายามย้าอยู่เสมอในช่วงนี้ว่าความว่างไม่ใช่นิพานนิพานไม่ใช่ความว่างไม่ให้ยึดถือความว่างต้องปล่อยวางความว่างเพราะว่าหนูเข้าใจแล้วคะ่ะว่าพอเราไม่ยึดถือตัวเราเราปล่อยตัวเราไป เมื่อเราเกืนเข้าไปในความว่างตรงนั้นแล้วนี่เป็นความเข้าใจของหนูนะคะหนู aland, <st> ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเมื่อเราเกืนเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ความว่างนี้ค่ะไม่ใช่ความว่างที่เรารู้สึกว่าเราพิจารณาไปแล้วว่างอันนี้มันเป็นความว่างในโลกมันเป็นความว่างของขันห้ามันไม่ใช่ความว่างที่เป็นความว่างในธรรมชาติแล้วเมื่อเราไม่ยึดอะไรเลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่ยึดเรา เข้ากลืนเข้าไปในกับความว่างตรงนั้นได้ก็จะเห็นว่าในความว่างตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ว่างตามธรรมดาหตามันเป็นความว่างที่มีสิ่งต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในความว่างเป็นรูปเป็นร่างต่างๆมากมายที่เรามองไม่เห็นมันไม่ใช่ความว่างอันนี้พอถึงตรงนี้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาในใจว่า ทำไมถึงต้องทิ้งที่หลวงตาอธิบายว่าทุกอย่างมันเป็นอารมณ์โลกเมื่อถึงสภาวะนั้นมันไม่มีอารมณ์ทางโลกอยู่เลยค่ะมันไม่มีความรู้สึกทางโลกมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีขันหา้ามันไม่มีธรรมชาติทุกอย่างที่เป็นโลกอยู่เลยแล้วทำให้ทราบว่าตรงนั้นน่ะทำไมถึงต้องปล่อยให้หมดก็เพราะว่าการที่เห็นความว่างนั้นได้มันก็เหมือนกับ การที่เราอยู่ในโลกนี้ได้เราอยู่ในโลกนี้ทุกวันเรากินเดินนั่งนอนเราก็ไม่ได้ยึดอะไรเราอยากจะทำอะไรเราก็เดินได้ตามปกติเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลืนเข้าไปกับความว่างได้เราก็ต้องไม่ยึดเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างโดยไม่มีการยึดอะไรค่ะพอหนูพิจารณามาจนถึงจุดนี้หนูทำให้หนูนึกย้อนไปค่ะหลวงตาเพราะว่า ในการสอนของหลวงตาหนูเห็นหนูสะดุดคำหนึ่งมาตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะว่ามีคำหนึ่งซึ่งหนูสะดุดมานานแล้วแล้วก็สะดุดมาตลอดคือคำว่าตลาลมานูหนูจาได้ว่าหลวงตา ย, ยกตัวอย่างว่ามีพระครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เอาระเบิดตลาลมนูหย่อนเข้าไปในตัวแล้วก็ทุกอย่างก็ แตกสลายไปหมดปหนูก็พยายามหนูก็พิจารณาแล้วหนูว่าปารามานูตัวนี้กับปารามานูตามคําสอนของหลวงปู่ดุลหนูคิดว่าเป็นคนละคำกันปารามานูตัวแรกเปรียบเหมือนขันห้าแต่ปารามานูของหลวงปู่ดุลเป็นอีกตัวหนึ่ง แล้วหนูก็ไปพบคำสอนเรื่องปรมนูอยู่ในคำสอนของหลวงตามหาบัวค่ะว่าเราต้องเพิกถอนทุกอย่างในในจิตของเราให้หมดไม่ให้เหลือแม้นแต่ปรมนูหนึ่งและในวันที่หนูส่งกันบ้านหลวงตาในครั้งสุดท้ายหลวงตาบอกหนูว่า แม้แต่กิเลสหรือมิจฉาทิฏฐิแม้นแต่น้อยหนึ่งปรมานูหนึ่งก็ไม่ให้เหลือหนูคิดว่าคํานี้มีความหมายมากเพราะว่าหนูเห็นปกติแล้วเนี่ยหลวงตาจะใช้คําพูดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งแต่หลวงตาพูดว่าน้อยหนึ่งปรมานูหนึ่งแล้วก็หนูก็มองกลับมาย้อนถึงตอนหนูส่งกันบ้านนะคะหนูเจตนาเรื่อง ตกหนังสือเรื่องตอนจบของจบสตีอะค่ะหนูเขียนคำว่าปารามานูไปเพราะหนูคิดว่าคาว่าปารามานูเนี่ยน่าจะมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้แล้วพอหนูพิจารณาถึงตรงนี้แล้วประกอบกับการส่งกันบ้างครั้งที่แล้วหนูพูดอยู่คำหนึ่งว่าเมื่อใจเราว่างเปล่า จนเป็นสีขาวแล้วเนี่ยตรงนั้นในความว่างเปล่าตรงนั้นแม้นแต่ฝุ่นสักนิดหนึ่งก็ไม่สามารถเกาะไปได้อะ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็นึกออกว่า อ, อ๋อคำว่าปรามนูหนึ่งเนี่ยก็คือมีความหมายไปถึงการความเป็นความว่างเปล่าที่บริสุทธิ์ของเราใช่ไหมคะหลวงตาว่า ถ้าเราไม่มีความบริสุทธิ์แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งหรือแม้แต่ปรมาโูหนึ่งซึ่งเล็กมากไม่มีความบริสุทธิ์เหลือมยังมีความไม่บริสุทธิ์เหลือแม้แต่ปรมาโูหนึ่งเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถที่จะกลืนเข้าไปในกับความว่างได้แล้วพอหนูรู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็คือเหมือนกับเข้าใจแล้วว่า การกลืนเข้าไปกับธรรมชาติเป็นยังไงพอถึงตรงนี้ทำให้มองเห็นเส้นทางปฏิบัตินะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วหนูเหมือนกับหนูบอเรียนหลวงตาว่าหนูรู้สึกว่าทางเดินของหนูต้องวางสองครั้งคือพิจารณาสองครั้งแล้ววางสองครั้งในเมื่อหลวงตาไม่ได้ทักท้วงตรงนี้ค่ะหนูก็มั่นใจในทางเดินของตัวเองว่าถูก เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มองเห็นเส้นทางเดินของตัวเองได้ชัดขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นเส้นทางเดินของคนอื่นได้ชัดขึ้นและจากนั้นการที่หนูปฏิบัติมาถึงตรงนี้หนูเคยเรียนหลวงตาแล้วว่าหนูเกาะคาสอนของครูบาอาจารย์อยู่สองท่านเพราะว่าในครั้งแรกที่หนูกล่าวหลวงตาแล้ว หลวงตาบอกว่าให้หนูมาฝึกกับหลวงตาหนูเลยมาเป็นครั้งที่สองในครั้งที่สองก่อนที่หนูจะมาในครั้งที่สองหนูทราบว่าหลวงครูบาจางของหลวงตาคือหลวงปู่ทาหนูก็นอกจากหนูจะฟังคําสอนของหลวงตามาก่อนแล้วหนูก็เข้าไปฟังหลวงปู่ทาที่สอนและในวันนั้นที่หนูมาถึง แล้วมีครูบาเปิดคำสอนหลวงปู่ทาอยู่แล้วในวันนั้นหลวงตาสอนพวกหนูกับเพื่อนอยู่สามชั่วโมงหนูกลับไปหนูก็ไปฟังคำสอนของหลวงปู่ทาแล้วหนูก็ยึดตรงนั้นเป็นเป็นสิ่งนำทางในการปฏิบัติของหนูคือที่ท่านสอนว่าเมื่อพบอะไรแล้วก็ให้ถามว่าเที่ยงไม่เที่ยงเที่ยงไม่เที่ยงนะ แล้วก็จะปรากฏว่ามันไม่เที่ยงสักอย่างแล้วก็ทำจริงไหมละ่ะทำจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วก็ในคำสุดท้ายค่ะที่ว่าพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลทุกคนอยู่เสมอแล้วพอหนูปฏิบัติตรงนี้ใช่ไหมคะพอหนูรู้สึกถึงที่หนูพูดไปในครั้งที่แล้วะค่ะที่เหมือนพ่อมีลูกสองคน หนูก็กลับมายึดคำสอนของหลวงปู่ดุลค่ะตาลากหนูว่ามีครั้งหนึ่งที่หนูมาเรียนหลวงตาว่าหนูทราบแล้วว่ารู้ก็ยึดไม่ได้เราเก่งก็ยึดไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเราเก่งเราฉลาดเรารู้มากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นนะคะ แล้วหนูก็เรียนถามหลวงตาว่าหนูคิดว่าในคําสอนที่หลวงตาสอนมาไม่ว่าจะเป็นสอนตัวหน้าฟังคําสอนหรือหลวงตาโพสคาสอนในลายหนูคิดว่าเหลืออีกสองสิ่งที่หนูยังไม่ได้พิจารณาก็คือรูปถอดหรือทอดรูปมิญญานกับการถอนตัวออกจากสมมุติซึ่งในคําสอนของหลวงปู่ดุลและหลวงปู่ชาสองอันนี้ ในคําสอนของหลวงปู่ดุลจะพูดถึงการเพิ่รูปปรมานูด้วยแล้วในวันนั้นหลวงตาตอบหนูว่าให้หนูไล่คําสอนของหลวงปู่ดุลซึ่งหนูก็ไล่ว่าทิ้งทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่กับความไม่มีไม่เป็นพอหนูท่องถึงตรงเนี้ยหนูก็เรียนหลวงตาว่าอ๋อหนูทราบแล้วคะ่ะว่าหนูต้องอยู่ ตรงนี้ตาหนูกลับไปหนูก็พิจารณาตลอดว่าทำไมหนูจึงคิดว่าหนูต้องอยู่กับความไม่มีไม่เป็นทั้งทั้งที่เมื่อพิจารณาในท่อนที่สองแล้วเนี่ยที่บอกว่าหยุดการปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิิยาจิตมันยังมีคำว่าไม่มีอะไรสักอย่างไม่ยึดถืออะไรสักอย่างซึ่ง คำนี้ก็เหมือนกับคำว่าไม่มีไม่เป็นเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็เคยเรียนหลวงตาว่าแล้วทำไมท่อนท้ายของหลวงปู่ดุลนคะคะจึงพูดว่ามีสติที่สมบูรณ์เป็นวิหารธรรมและมีสติที่สมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่ทำไมคำสอนของหลวงปู่ดุลตรง น, นี้ถึงบอกว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ทาไม เหมือนกับหนูต้องอยู่กับผู้รู้พอหนูเจอสภาวะตรงนี้ค่ะหนูก็แยกออกเพราะว่าหนูก็กลับไปมองเห็นคำสอนหลวงปู่ดุลตอนต้นค่ะว่าที่ว่าไม่มีไม่เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์หนูก็เข้าใจว่าตามความเข้าใจของหนูนะคะว่าเมื่อเราไม่มีไม่เป็นคือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าสิ่งใดจะเป็นอะไรจะรู้จะเห็นจะอะไรมากมายแค่ไหนมันก็ไม่มีตัวเราอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ความว่างสว่างบริสุทธิ์นี่ก็คือเป็นตามตัวสามอันค่ะสามสิ่งที่จะทำให้กลืนเข้าไปกับความว่างได้คือเราจะ ไปถึงสภาวะนิพพานได้ในก็คือสามสิ่งนี้ก็คือความว่างความว่างที่ไม่ใช่ความว่างจากขันห้าคือความว่างที่เป็นความว่างที่ไม่ยึดความว่างแล้วแล้วก็เป็นความสว่างที่ไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนบริสุทธิ์ไม่มีเหลือแล้วแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งหรือปรมานูหนึ่ง ถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะหลวงตาแล้วพอเข้าใจตรงนี้ได้ก็ทำให้ย้อนกลับมาเข้าใจคำสอนคำปริสนาธรรมของหลวงตาทุกหลวงทุ ก, ท, ก, ท, กทุกปิิสนาธรรมตั้งแต่ปิิสนาธรรมเรื่องนิพพานอยู่ฟากน้ำริมตาที่หลวงตาบอกว่าทีนิ้วมาที่ใต้ตา คือนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนก็คือไม่ได้ใช้ตาแต่ใช้ใจใจก็เปรียบลักษณะเหมือนตาของเรามองเข้าไปที่กายของเราแล้วก็ค้นหาในร่างกายของเราจนแบบแม้แต่ปรังมนูนึงก็ไม่เหลือในพื้นที่เราก็จะทราบว่าในร่างกายเรานี้มีแต่ความว่างเปล่าสักวันหนึ่งเมื่อตายไปก็แหลกสลายหายไป มีแต่ความว่างเปล่าก็พบว่าคำว่าใจก็คือเป็นสิ่งสมมติเพราะว่าคำว่าใจก็ไม่มีใจจริงๆมมีแต่ความว่างเปล่ามันเป็นสมมุติมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเราไปนิพพานได้เราต้องเอาใจไปแต่จริงๆแล้วเมื่อหาตัวใจแล้วก็เห็นว่า ใจจริงๆของเรานั้นไม่มีมันมีแต่ความว่างที่เราไม่ยึดอะไรสักอย่างเราก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากสามโลกนี้ ไ, ได้ค่ะล้วก็ความเข้าใจในปริศนาธรรมของหลวงตาอันที่สองก็คือหนังฝรั่งที่แบบหนูเคยเรียนถามหลวงตาหลายครั้งแล้วว่า ดวงอาทิตย์เกี่ยวอะไรกับหนูหนูเศร้าเพราะว่าหลวงตาไม่บอกแต่ในใจหนูมันก็อยากรู้แบบแค่ขอให้ได้ถามหลวงตาตอบหรือไม่ตอบก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่แล้วหลวงตาก็บอกหนูมาอยู่อย่างหนึ่งก็คือในตอนจบของหนังฝรั่งนั้นจุดสําคัญคือเป็นไงก็ไม่รู้เรื่องกันดูหนังเมื่อไร่ยังไงก็ถึงไม่รู้เรื่องกได้ ฝลัังก็คือเมื่อเมื่อผู้ชายคนหนึ่งพิจารณาตัวเองจนหมดแล้วอะค่ะก็เห็นว่าในตัวเรานี้ไม่มีความไม่มีอะไรให้ยึดถือได้เลยมีแต่ความว่างเปล่าตามที่เป็นจริงตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วเขาก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่ง ที่อยู่กับธรมมธรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเคยพบความจริงแบบนี้มาก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะได้พบนะคะเสร็จแล้วผู้ชายคนแรกก็ส่งคุยให้กับผู้ชายคนที่สองที่ได้พบแล้วก็ผู้ชายคนแรกก็เดินจากจากไปหายไปในธรรมชาติและตอนจบของ หนังฝรั่งเรื่องนี้หลวงตาบอกว่าความสําคัญนั้นอยู่ที่ตอนจบก็คือที่หลวงตาให้ดูก็คือเป็นภาพของดวงอาทิตย์หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าสภาพตอนจบของหนังฝรั่งเรื่องนี้ที่เป็นรูปดวงอาทิตย์ก็คือสภาวะที่ทุกคนดิ้นรนค้นหา ที่ทุกคนพยายามปฏิบัติเพื่อจะให้ไปถึงตรงนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้เลยว่าสภาวะที่กําลังเพียรกําลังค้นหากําลังปฏิบัติกําลังทําอะไรเพื่อให้เป็นอะไรมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อย่างไรนะคะแล้วก็จากปริศนาธรรมอันนี้ก็มาสู่ปริศณาธรรมเรื่องภาพยนต์เรื่องไซอิ๋วทำให้รู้ว่าแม้แต่ เราข้ามทะเลทุกไปแล้วเราทิ้งเรือไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพ้นทุก์ไปได้อ่ะเพราะว่าจากจากตรงนี้ค่ะที่ออตอนไปรับคำภีแล้วถามว่าวางเรื่องทั้งโลกหมดหรือยังตรงนี้ไปขยายสิ่งที่หนูเข้าใจค่ะว่า แม้แต่เราทิ้งขันห้าเอาไว้ในโลกมนุษย์แล้วทิ้งขันห้าไปแล้วเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวางใจที่ว่างเปล่าะก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุก์ไปได้เราก็จะเป็นได้แค่พระคมภีเปล่าที่ยังไม่มีตัวอักษรเราต้องปล่อยวางความว่างเปล่านั้นไปเราถึงจะพบ ความว่างที่แท้จริงที่เป็นธรรมชาติแล้วเราต้องปฏิบัติให้เป็นพระคำทีที่แท้จริงก่อนนะคะคือพระคำทีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะหลวงตาอยู่ที่ตัวเรานี้เองค่ะเราต้องเป็นพระคำทีที่แท้จริงก่อนแล้วเราจึงถ่ายทอด สิ่งที่เรารู้มาเราปฏิบัติมาแก่ผู้อื่นได้และไม่ว่าจะเป็นหนังสือคำพีรหรือพระไตรปิฎกที่ถ่ายทอดไปอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของคำพีที่แท้จริงเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปได้หมดนะคะเหมือนในหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามหาสัตตะโลกที่ตอนที่ท่านถือดอกบัวที่ท่านพูดกับพระอานนท์ว่า ในสิ่งที่บอกสอนได้พูดได้ท่านได้บอกสอนไปหมดแล้วค่ะแต่ในสิ่งที่พูดไม่ได้บอกสอนไม่ได้ท่านได้ส่งมอบให้พระมหากัสสปะไปแล้วนั่นแสดงว่าในธรรมทั้งหมดนั้นมันมีมากมายมหาศารแต่สิ่งที่ถ่ายทอดได้ให้เข้าใจได้ด้วยคำพูดนั้น มันมีอยู่เพียงแค่ส่วนหนึ่งแมนจะไปเขียนเป็นคำพีเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เท่าไรก็ตามค่ะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในคำพีฉบับจริงที่อยู่ในตัวตนของผู้ปฏิบัติแต่ละคนเท่านั้นค่ะหงตาเพราะเมื่อหนูเข้าใจในตรงนี้ทาให้หนูเข้าใจในคำสอนของหลวงตาค่ะ หนูเห็นเส้นทางที่เป็นสามเส้นทางได้อย่างค่อนข้างชัดเจนหนูเห็นการปฏิบัติที่เป็นรูปเป็นล่างที่ผ่านมาและที่ปฏิบัติมาแล้วก็ทําให้หนูมีความภูมิใจอย่างหนึง่งเมื่อก่อนหนูมีความรู้สึกว่าในระหว่างปฏิบัติหนูไม่ทราบถึงแม้แต่คําที่เป็นคําพูดที่เป็นบาลีหรือเป็นหัวข้อหนูก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง ทำให้หนูต้องไปค้นคว้าไปอ่านแต่พอหนูไปอ่านหนูก็มีความรู้สึกว่าทำให้การปฏิบัติของหนูเนิ่นช้าหนูก็ทิ้งตรงนั้นไปและหนูก็อ่านเพียงแค่พอเข้าใจและหนูสิ่งที่หนูอ่านมากที่สุดและอ่านบ่อยที่สุดก็คือคำสอนของหลวงตาที่หลวงตาเขียนแล้วพอมาถึงตรงนี้หนูทาให้หนูภูมิใจมากว่า สิ่งที่หนูไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยมันเป็นประโยชน์กับตัวหนูเองที่หนูปฏิบัติมาหนูเดินมาด้วยใจจริงๆหนูไม่ต้องอาศัยความรู้ที่เป็นปริยัตหรือเป็นตำลับตำลาอะไรที่แบบยากเย็นมากมายต้องไปค้นคว้าอะไรมากมายการเดินมาด้วยใจการเดินมาด้วยปฏิบัตินั้นสำคัญกว่าเมื่อเราเข้าใจด้วยการปฏิบัติแล้ว ก็กลับไปอ่านตำราอ่านคำสอนอันไหนมันก็เข้าใจอะค่ะมันตอนพอมาถึงตรงนี้หนูคิดว่าไม่ว่าจะเอาคำสอนตรงไหนที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติสูมุ่งสู่การพ้นทุกข์มาให้อ่านต่อให้หนูไม่สามารถที่จะอ่านหรือตีความได้หมดแต่หนูก็จะเข้าใจเข้าใจว่า ตรงนี้เขาสอนอะไรตรงนี้ทำยังไงแม้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่หรือลายแทงที่สอนอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์หนูก็เข้าใจคำสอนนั้นได้ด้วยใจหนูไม่ต้องไปเรียนที่ไหนหนูเรียนแค่หนูปฏิบัติผิดหรือถูกดูว่าหนูผิดหรือถูกตามที่หลวงตาสอนนะคะแล้วก็พอเข้าใจแล้ว เราไปอ่านทีหลังมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลยค่ะแล้วก็นอกจากความภาคภูมิใจแล้วก็ยังรู้สึกถึงเป็นบุญกุศลมากมายด้วยค่ะหลวงตาที่เกิดมาในชาตินี้แล้วได้พบครูบาอาจารย์สอนค่ะหนูปฏิบัติมาถึงวันนี้นอกจากการที่หลวงตาสอนหนูครั้งแรกแล้วหนูจำไม่เคยลืมเลยค่ะว่าในครั้งที่สองที่หนูมากราบหลวงตา หลวงตาผู้สอนอยู่เกือบสี่ชั่วโมงค่ะทำให้มีกําลังใจที่จะปฏิบัติมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติหลายๆอย่างไม่ว่าจะไปค้นที่ตาราครูบาอาจารย์ท่านไหนถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีครูบาอาจารย์จริงๆที่อยู่ตรงหน้าที่ อธิบายทั้งหลักธรรมดูทั้งการปฏิบัติทางจิตว่าถูกต้องหรือไม่หนูคิดว่าไม่สามารถที่จะเดินไปถึงตรงนั้นได้ค่ะเพราะตรงนี้มาถึงตรงนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าการปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะสำคัญที่สุดกว่าตำราต่างๆค่ะแล้วจากนั้นหนูก็ เห็นภาพของเส้นทางปฏิบัติที่แยกออกมาทั้งสามเส้นได้อย่างค่อนข้างที่จะคิดว่าถ้าไม่ครับไม่ชัดเจนก็พอเข้าใจได้จนถึงณวันหนึ่งเมื่อหนูมีโอกาสที่จะทำหน้าที่หนูได้กลับไปอ่านคำสอนที่หลวงตาสอนสอนมาตั้งแต่หนูเริ่มปฏิบัติและเมื่อหนู ดูถึงปริศนาธรรมของหลวงตาออกและได้เข้าใจทำให้หนูทราบว่าจริงๆแล้วหลวงตาเตรียมคาการสอนค่ะหลวงตาเช็คความรู้ความเข้าใจของลูกศิษย์ทุกคนหลวงตาพาลูกศิษย์ทุกคนลงเรือโดยมีหลวงตาดูแลเรือลำนั้นเพื่อจะพาข้ามฟาก ไปอยู่ตลอดค่ะสิ่งที่เห็นได้ก็คือปิศาณธรรมทุกปิศาณธรรมความรู้ทุกที่หลวงตาถามเพื่อให้ตอบหลวงตาเช็คความรู้หลวงตาให้ความรู้ทั้งซีดีทั้งหนังสือให้สิทธ์ทุกคนได้มีความรู้ถึงปายทางที่เป็นทางท น, นทุกข์แล้วเมื่อ ถึงเวลาหลวงตาก็พาลูกศิษย์ทุกคนลงเรือเพื่อจะข้ามทางข้ามทุกนี้ไปในระหว่างทางหลวงตาก็ดูแลอยู่ตลอดสอนอยู่ตลอดไล่ต้อนไปตลอดไงจนณนะตรงนี้เมื่อหนูถึงตรงนี้หนูก็คิดว่าหลวงตาก็คิดว่าต้อนมาจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว แล้วเมื่อหนูไปพิจารณาคำสอนของหลวงตาตอนแรกหนูก็พยายามแยกแยะคำสอนที่หลวงตาสอนทั้งหมดหนูก็พยายามแยกแยะเนื้อหาแยกแยะสภาวะธรรมแยกแยะตามสายโดยหนูใช้ทางเดินของหนูเป็นหลักเพราะว่าจากที่หนูเห็นเส้นทางอีกสามเส้นทางทำให้หนูรู้ว่า ทางที่หนูเดินมาหนูหน่าจะเดินมายาวกว่ามากกว่าคนอื่นหนูคิดว่าการที่คนอื่นเริ่มลงเรือนั้นหนูเดินมาหนูหน่าจะเดินมาได้นำหน้าคนอื่นมาแล้วแลเามื่อก่อนนะคะเวลาหลวงตาสอนหนูหนูก็สับสนนะคะหนูว่าคนอื่นปฏิบัติได้โดยไม่สับสนแต่แรกๆหนูก็สับสนเพราะว่า ตอนหนูวางทุกอย่างหมดในครั้งแรกหนูวางด้วยคําว่าสิ่งปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งแต่พอมาตอนหลังพอมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งซึ่งหนูก็พอหนูทราบหนูเคยเรียนหลวงตาแล้วว่าหนูทราบว่าคําว่าสิ่งปรุงแต่งกับคําว่าธรรมชาติปรุงแต่งมันต่างกันแต่พอหนูพิจารณาไปหรือพอคนอื่นๆ พิจารณาถึงธรรมชาติปรุงแต่งแรกแรกหนูก็สับสนคําว่าทาไมคนอื่นเขาก็ดูธรรมชาติปรุงแต่งเหมือนหนูแล้วทำไมหนูเข้าใจว่าธรรมชาติปรุงแต่งของหนูเป็นแบบนี้แล้วธรรมชาติปรุงแต่งของหนูทำไมไม่เหมือนกับคนอื่นหรือคำว่าตัวผู้ตัวภากซึ่งแบบหนูเคยมาส่งกันบ้านหลวงตาแล้วมีคนเห็นตัวพูดตัวภากแล้วหลวงตา ก, ก็สอนว่า เมื่อเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้หลวงตาก็จะบอกว่าเมื่อเห็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆหนูก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมหนูก็เห็นตัวผู้ตัวผ้าทำไมตัวคนอื่นก็เห็นเหมือนหนูหนูก็กลับไปคิดว่าหนูกับเขาเขาคนอื่นก็เห็นเหมือนกันแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูตัดออกมาเลยหนูจึงปฏิบัติมาได้จนถึงตรง น, นี้ว่า มันต่างกันมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วพอหนูเดินมาถึงตรงนี้หนูก็พยายามไปแยกแยะ ก, การปฏิบัติว่าอ๋อเส้นทางนี้น่าจะเป็นแบบนี้เส้นทางนี้น่าจะพิจารณาแบบนี้ก็พยายามดูว่าแต่ละเส้นทางเขาพิจารณามาอย่างไรอ่ะคะ่ะหลวงตาแล้วพอวันหนึ่งก็ผุดขึ้นมาได้ว่า นี่ไงมันไม่แบ่งแยกเลยว่ามันเป็นเจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์ทุกคนเมื่อมาถึงสุดท้ายเมื่อจะพิจารณาเรื่องการพ้นทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตต์หรือเจโตวิมุตต์ก็พิจารณาเหมือนกันส่วนที่จะไปได้อย่างไรแค่ไหนนั้นเป็นผลใช่ไหมคะหลวงตาเป็นผลไม่ใช่เป็นการปฏิบัติมไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง การเป็นเโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตไม่มีทางที่หนึ่งไม่มีทางที่สองไม่มีทางที่สามมันก็คือทุกคนปฏิบัติเหมือนกันตามที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็พอหนูเข้าใจในตรงนี้ว่ามันไม่มีการแบ่งแยกในระหว่างสองเส้นทางนี้แล้วเนะะี่ยค่ะทำให้หนูก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆค่ะอ่านคำสอน ที่แบบหลวงตาสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ทําให้หนูเห็นทำหลายๆทำทำหลายๆสิ่งแม้แต่คําว่าปารมานูที่หนูพูดถึงหนูก็ไปเห็นว่าในครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วหลวงตาอธิบายตรงนี้ไว้ด้วยซ้ําไปแล้วหนูก็นึกออกหนูก็จําได้ว่าใช่ในตอนที่หนูดูเรื่องปารมานูคาว่าปารมานูอยู่นั้นหนูก็เข้าใจใน ในใจหนูว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วในวันหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งมาขอให้หลวงตาอธิบายค่ะว่าการเพิกรูปปรมานุเป็นอย่างไรค่ะแล้วหนูก็ไปเจอคำสอนตรงนี้ที่หลวงตาอธิบายค่ะแล้วหนูก็เห็นคำสอนซึ่งบางทีหลวงตาให้มาหนูอ่านไปแล้วหนูก็ไม่ได้กลับไปอ่านอีกค่ะ ก็หนูก็พอหนูกลับมาพิจารณาตรงนี้ก็เห็นว่าเขแบบเจอสภาวะธรรมที่ตัวเองพิจารณาผ่านมาเยอะแ ย, ยะมากมายมันล้วนแต่อยู่ในคำสอนที่หลวงตาเอามาสอนทั้งนั้นและเมื่อดูลึกเข้าไปอีก่ะคะก็ยังเห็นได้อีกว่าหลวงตาแบ่งเอามาสอน ไม่ได้เอามาทั้งดุ้นหลวงตาเอามาสอนแบบตามสภาวะธรรมที่รู้สิท์เป็นด้วยซ้ำในขณะที่ The, เรานั่งเรือของหลวงตาที่หลวงตาพาไปนั้นหลวงตาไม่ได้เอามาทั้งหมดคือสภาวะธรรมตอนนี้เป็นแบบนี้หลวงตาก็ดึงตรงนี้มาพอสภาวะธรรมขึ้นไปถึงตรงนี้หลวงตาก็หยิบเอาอีกจุดหนึ่งมาสอนแต่เมื่อพอเอาไปรวมกันแล้วก็รู้ว่า อ๋อนี่มันคือคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านนี้องค์นี้ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าหลวงตาเอามาจับวางตามตามธรรมที่ณนะจุดจุดนั้นนะปฏิการปฏิบัติของคนคนนั้นนะคะแล้วก็พอเข้าใจเห็นแนวการสอนเห็นวิธีการอธิบาย ของหลวงตาตรงนี้ค่ะก็คือหนูมีโอกาสที่จะเข้าไปอ่านหนูมองว่าการความรู้จากตรงนี้ที่เอามาปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองได้ปฏิบัติได้จริงและเป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าค่ะแล้วการเรียงเนื้อหาหรือการแยกแ ย, ยะซึ่งบางอย่างมันแยกแ ย, ยะไม่ได้ค่ะหลวงตา มันเหมือนกึ่งๆึอยู่ด้วยกันอย่างสมมุติว่าหนูดูเรื่องสมาธิว่าสียานสมาบัตใช่ไหมคะหลวงตาตอนแรกหนูก็พิจารณาว่าเออหนูจะแยกยังไงหนูจะแยกอะไรก่อนแยกอะไรหลังแล้วมาวันหนึ่งหนูก็นึกออกว่าอะสมาธิก็คือเป็นสมาธิยานก็มาจากไหนยานก็มาจากสมาธิ วสีก็คือการทำสมาธิที่ต่อเนื่องเรียงเป็นลำดับสมาบัติก็คือการทำสมาธิมันก็อยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะหลวงตาเพียงแ้่เรามีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแค่ไหนนะคะหลวงตาแลก็เหมือนน่าจะมีเท่านี้ค่ะในตอนนี้ค่ะสวัส ก็ชัดเจนหมดแล้วชัดเจนทุกแง่ทุกมุนมนะเจรินเจริญในทางได้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ทานประโยชน์ต่สาธารณะต่อไป